ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุ่ระโพธิยาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องสีละบา ร, รมีต่อไปก็ อ, อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าธรรมะแนวมีเขาเรียกว่าอนเน ก, กปริยายคือปริยายตทศนาคือสรงแสดงไว้โดยในยะหนึ่งเนยะหนึ่ง ไอ้สอดคลองกับพื้นฐานเขาผู้ฟังในกรณีนั้นๆั้นซึกมันเหมาะสมต่อการนําเสนอทางสื่อใหญ่ๆอย่างโทรทัศน์วิทยุเพราะผู้ฟังมีความหลากหลายถ้น่า จ, จะไม่เข้าใจโดยปริยายหนึ่งแต่จะเข้าใจโดยปริยายอย่างอื่นแล้วก็จะมองเห็นองค์รวมคือภาพร ว, วมของความเป็นศีล ที่ออกมาในรูปของสงบกกายสมบวาิจาซึ่งคนดื่นเราสัมผัสได้นะครับคำว่าสมุบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่านิ่งๆ น, นะไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรแต่หมายถึงอาการที่แสดงออกทางกายกับทางวิจานั้นเป็นไปในขันลองของกุศลธรรมหรืออัพญากะตะธรรมแต่ไม่ออกมาในรูปของอกุศลธรรม นี่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองบ้างบุคคลอื่นบ้างหรือว่านําความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นหรือแม้แต่นําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองวันก่อนได้พูดถึงศีลที่ทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่ในข้อต่อไปนั้นท่านก็เรียกว่าโล ก, กุตตระศีลคือวันก่อนได้พูดถึงโลกียศีล คุอคนอโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีพื้นฐานของกิเลสอยู่แล้วก็ท่านบอกว่าศีลที่ยังมีอาสะวะัตเพราะถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงพระอาียบุคคลสามระดับแม้ท่านจะเข้าถึงโลกุตตระแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะท่านยังต้องเกิดในภพอยู่แม้แต่พระพระาคามีเองซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สามแต่ก็ยังอุบัติในภพอย่างน้อยก็อีกหนึ่งชาต เพราะอะไรเพราะว่าท่านทําลายอาวิชชาสวะอ ย, ย่างไม่หมดแต่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอาวิชาสังโยชน์นะหรือวิชานุสัยก็ได้แต่จะเร็กทีนี้โลโกตระศี น, นั้นศีลที่มุ่งถึงการออกจากพบมันก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะในกรณีที่มุ่งออกไปจากพบก็หมายความว่าตั้งแต่ศีลระเนี่ยคือสามัญชนเอโดยจฉพาะอย่ยิ่งคือพระโสดาสกิตากานะ นาคาขึ้นไปเนี่ยเราออกจากพบได้จริงๆเนี่ยคือพระอระหรันต์วันเวลาพูดถึงคุณสมบัติของพระยะบุคคลสามระดับนี่จะไม่พูดระดับออกจากภพหรือว่าดับชาติเพราะว่าชาติยังมีอยู่ภพจึงมีอยู่เพียงแต่ว่าระกิเลสเป็นเุให้บังเกิดในภพซึ่งมันห ย, ยาบๆไปโดยลำดับ แล้วก็ภูมิจิตท่านสูงขึ้นภูมิธรรมท่านสูงขึ้นพพ ท, ที่อุบัติก็ประณีตขึ้นแล้วก็จะบังเกิดอีกอย่างมากมากสุดๆนะครคือไม่เกินเจ็ดชาติส่วนใหญ่ก็หนึ่งชาติสองชาติแต่พระา น, นั้นไม่มีทั้งชาติทั้งพว ก, ก็แสดงว่าี่ออกจริงๆเนี่ยก็คือพระราหัร เพราะมื่อกลับมาสู่หลักการเดิมที่ว่าธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นมีพระอระหันต์เป็นยอดโดยปริยายหนึ่งก็อยู่ในยานกถามหวักนะคุตตะนิการเหมือนกันก็จะแยกออกไปเป็นรูปสามระดับ ก็ตามโครงสร้างของเนี่ยบทสวดอภิธรรมเนี่ยกุศลธรรมากุศลธรรมาปยาการตาธรมาเนี่ยตอนสีนเองจะมีลักษณะอย่างนั้นสีลประการแรกนั้นมีกุศลลจิตเป็นสมุดฐานหมายความว่ามันมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของความเป็นผู้มีสีใ น, นดับต่างๆอย่า ง, างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของสีนสีเลนสุกติงยันติสีเลนภูกระสัมปธาสีเลนนิพุติงยนติเนี่ย บุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็พระศีนสมบูรณ์ผูกกระสมบัติได้ก็พระศีนบรรลุลมาผลนิพพานได้ก็พระศีนตัวเองก็ต้องการผลเหล่านั้นแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังงดเว้นไม่โล่งละเมิดจนอาการกายวิชาก็ปกติไปก้อนนี้ก็ถือว่าตัวกุศลเป็นเหตุได้เกิดขึ้นทีนี้บางทีเนี่ยที่มีอกุศ ล, ลจิตเป็นสมุดฐาน เราก็ไฏิเสธความเป็นศีลเขาไม่ได้นะเช่นอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นคนนี้คน้นหรือว่าต้องการจะเอาชนะคนนั้นคนนี้คนน้นแล้วก็ทําให้เคร่งกว่าคนคนอื่นเข า, เ ร, า, สาสรักษาศีลเขามงวดกว่าคนอื่นเขาตัวเจตนานั้นมันเป็นอกุศลเป็นตันหาบ้างเป็นมานะบ้างเป็นทิฏฐิบ้างหรือว่าต้องการรักษาศีลแล้วจะบังเกิดในสูงสวรรค์มีเทพบุตรเทพธิดาแต่ก็ที่จริงมันก็รักษาด้วยตันหานะ แต่ว่าอาการเหล่านั้นเราปฏิเสธความเป็นศีทธ์ไม่ได้แต่มันก็เป็นระดับโลกิยะเห็นไหมมันก็ไปไปเป็นลงกับข้ออื่นๆคื อ, ค, อคือก็ ค, คงเป็นระดับโลกิยะแต่ว่าปฏิเสธความเป็นศีทธ์ไม่ได้เพียงตัวเหตุได้เกิดเนี่ยมันเกิดด้วยกุศลก็ได้บัดนั้นมาคราวแม้แต่นั่งสมาชิมันก็มีอาการแข็งดีการเอาเพื่อนได้นัหนึ่งชั่วโมงหรือจะนั่งได้ชมมั่วโมงครึ่งเอาเพื่อนนั่งชมมั่วโมงครึ่งนั่งสองชั่วโมง ก็ตัวกระตุ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นการแข่งดีคือต้องการเอาชนะแต่ว่าอาการเหล่านั้นไม่จิตสงบแล้วเนี่ยคือการต้องการแข่งดีหรือต้องการเอาชนะมันเกิดขึ้นมันก็ดับต่อจากต่อจากนั้นไปมันก็เป็นเรื่องสมาธิแต่ว่าตัวตัวตั ว, ต, วตัวชนวนฮะตัวจุดมันก็กลายเป็นอกุศลอีกหนา ย, ย่างหนึ่งนั้นทันเรียกว่าอภปญากิตศีนคือศีลที่มีอภิญากิเป็นสมุทฐาน คือหมายความว่าจิตมาเกันกลา ง, ลางแล้วก็สัมผัสความเป็นกลางๆตรงนั้นแล้วก็เกิดรู้สึกว่าเออมันถ้าสงบสงบอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดก็หาทางให้เกิดความสงบเพราะไอ้ตัวกระตุ้นเนี่ยมันจากการที่เราอยู่นิ่งๆเราไม่ตกไปฝ่ายกุศลนกกุศลมันเกิดหาใบวิธีที่จะให้เกิดกุศลขึ้นไม่ใช่จะให้เกิดทางที่จะให้สงบยิ่งขึ้น ก็กายเป็นการรักษาศีลสมาทานศีลไปแล้วทีนี้ถ้าถ้าเราพูดถึงสำหรับชั้นของศีลอีกนะฮะต้นแยกตอนนี้ต้นแยกเป็นหมวดหมดคือคือการแยกในแนวมีทั้งสาวชนในบทสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเป็นพระอาจารย์รุ่นหลังแต่ว่าไม่ใช่ท่านทําโดยลําพังนะฮะแต่ท่านจะไปรวบรวมมาจากที่ต่างๆ่างเมาจัดเป็นหมวดหมู่ส่วนใหญ่เนี่จะเป็นพระตถาคกถาจารย์แล้วคนที่ทํามากที่สุดเนี่ยคือพระพุทธโสดาจารย์ ปุ่นี้ก็ปรากฏอยู่ในสีดนิเทศในคมภีวิสุทธิปะแต่ถามว่ามีในพระบาลีพุทธวจนะไหมก็มีนะกระหมาอความก็จับมันจากตรงนั้นตัวนั้นตรงนั้ น, น, นแล้วก็จัด บ, บทหมู่ขึ้นมาและบางครั้งก็ตั้งชื่อขึ้นนะเรียกชื่อเพราอถ้าเราเปิดดูพระไตรปิฎกจริงนะไตรปิฎกเองพระไตรปิฎกที่เป็นบาลีนะครับตัวบาลีเนะี่ยเรจะเห็นว่าบางทีพระสูตรมันไม่มีชื่ออนะ ได้ชื่อนีนพระอาจารย์รุ่นหลังธรรมาตั้งขึ้นกระสูดีจะมีลักษณะเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อไปบางทีก็เรียกชื่อนะบางทีก็ไม่เรียกือแต่ว่าตก ม, มาแปลขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์รุร่นก่อนโน่นนั่นนะฮะท่านก็ตั้งชื่อไว้แล้วบางทีก็ชื่อไม่ค่ยตรงกันก็มีเหมือนกันนะชื่อไม่ตรงกันแต่เนื้อหาของธรรมะนี่ตรงกันเพราะว่าชื่อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รพระเจ้าตัง แต่ว่ามีการตั้งขึ้นของอาจารย์รุ่นหลังแต่บางสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกเองนะเช่นว่ามงคลดนสูตรเนี่ยคือถ้าเราดูแล้วมันก็ใช้เอตมังกะละมุตตะมังโดยจากการตอบการถามคำถามของผู้เทวดาทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงสแสดงเอตมังกัลมุตตะมังดันก็เรียกว่าเป็นสูตรที่ว่าโดยมงคลมงคลก็มึ มีเยอะแต่วิจ้าเรียกเองนั้นก็เรียกว่าเอตมังก์กับมุตมังนี้เป็นอุดมมงคลหรือว่าอาจจะเรียกว่าอุดมมงคลรละสูดเองคงจะไม่เรียกอย่างนั้นแนะ่ะเลยก็เรียกเรียกเป็นมงคลละสูดเขาเรียกว่าหินศีลไม่สิ่ไม่ศีลบัณีิตศีลคือศีลอย่างเดียวศีลอย่างเดียวสมมุติป่าอะไรล่ะสมมุติเอาข้อข้อการเม A ก็ได้นะสมมติอทิต น, นากับปานามาหลายครั้งแล้ว คือศีลอย่างเลวที่บุคคลประพฤติด้วยความพอใจหมายความว่าประพฤติแบบหยาบหยาบก็พอใจที่จะทำขนาดไหนก็ทําดีบ้างไม่ดีบ้างบุกร่องไปบ้างก็ทำท ำ, ทำก็ถือว่าจะปฏิเสธว่าท่านไม่มีศีลมันก็ไม่ได้หรอกแต่ศีลของท่านอย่างหยาบอ ย, อยู่การประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยมัน นะสมมุติว่าแม้จะไม่ไปล่วงละเมิดทางประเวณีแต่แสดงอาการความเป็นเจ้าชู้อะไรต่รางๆนี่ยมันก็ไม่เหมาะมาดามาูมองเขาด้วยความเสน่หามองเขาด้วยความปรัถนาะอะไรต่อไรนี่ยก็ถือไม่เหมาะแต่ถ้าพระท่านปรับบาปนะยโยมนี่ก็ถือว่าเป็นกุิยาที่ไม่เหมาะไม่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็นในฐานะของผู้มีศีล ข้อต่อไปเขาเรียกว่าศีลอย่างกลางที่บุคคลประพฤติด้วยความพอใจเขาพอใจอย่างนั้นก็พอใจเท่านั้นนะนะเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วยความพอใจของเขาเนี่ยตอนที่เร า, เาไปเราเราไปวัดไม่ได้หมายความเขพอใจเขาอย่างนั้นเขาทาได้ขนาดนั้นก็ปล่อยก็ปล่อยก็ยดีกว่าเขาไม่มีแต่บางครั้งมันประนีดนะมันประนีดแม้แต่อะไรล่ะ สำนวนอย่างหนึ่งภาษาไทยไม่ทราบใครใช้นะความชู้ทางใจรู้สึกจะเป็นเพลงได้ไรแต่ว่าเป็นอาการทางจิตที่ไม่มองแม้ด้วยความรู้สึกต้องการทางเพศกับผู้หญิงหรือผู้ชายกัตามะที่ไม่ได้เป็นพันยาสามีย อ, อ่ตัวเองสำหรับคารวะก็แสดงว่าสิ่งคนนี้มันประนีต จิตไม่ถูกกุ้มรุมด้วยด้วยการมิจกคือสึกนึกเดวบหนาของความครเราไม่ต้องพูดถึงระดับการมตัญหานะคือไม่แรงระดับนั้นแต่แม้แต่การมิตกในการเหนียวนึกตึกๆึกมก็ไม่มีการแสดงว่นลึกใกล้สมาธิเข้าไปเพราะสะมาธินั้นจะสงบตัวการฉันนั้นกันแต่สีนี่เป็นนี่เี่ยที่จริงมันไปเชื่อมต่อ แต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูว่าที่เคยพูดเรื่องสองวรนสองข้อเนะี่ยว่าปาฏิโมกข์สองวรนหรือสีและสองวรนนะคือสํารวมระดับบทบัญญัติที่มีลายลักษณ์อัสษรชัดเจนอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอีสเียสองวอนคือสํารวมจิตเราที่จิตของเราเนี่ยพยายามสัมผัสกับอารมณ์ที่มากระทบเนี่ย คือระวังจิตที่จิตของเราเองไม่ให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มร่งเกิดความมัมเหมาในอารมณ์เราเนั้ น, นหมายความว่าอารมณ์เราคงสัมผัสแต่ว่าใจนั้นจะควบคุมความรู้สึกเอาไว้แต่ว่าการการพูดอย่างนี้จะต้องจับประเด็นให้ได้เหมือนกันนะฮะบางทีเราก็เอาไปปนกันคือหมายความว่าในกรณีที่มันจะเกิดกิเลส คือไม่เกิดย ด, ด, ดีดีดีร้ายเนี่ยถ้าเกิดเห็นแล้วมันเกิดศรัทธาเกิดปัสสะทะที่ท่านเห็นว่าอะไรทัศนานุตริยะคือการฟังบางอย่างเนี่ยมันเกิดศรัทธ า, าปัสาะทะเกิดสติปัญญาเกิดเหตุผลเกิดความสุขุมรอบครอบเกิดขึ้นก็ฟังเถอะก็ใส่ใจก็มานสิการก็ใส่ใจก็สนใจก็เพ่งพินิจก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต้องมองต้องมองดูให้ดีนะคบางทีเนี่ยเราก็ไป เลยผู้คุมคุมจนจับประเด็นไม่ได้ไปแต่ว่าทํายังไงก็ไม่ยินดีเย็นร้ายในกรณีที่มันจะเกิดกิเลสแต่ว่าถ้ามันเป็นธรรมะจะมกความยินดีในธรรมเนี่ยมันก็ไม่ปแปลกอะไรเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นไปเพื่อเบืรนล า, ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อสํารอกกิเลสให้าจางคลายลงไปจากจิตใจของเรา เรียกบอริยายหนึ่งก็เคยพูดมาแล้วนะฮะแต่ว่าท่านใช้คําไม่ตรงกันแันนั่นเองในตอนพระบาลีพุทธวัจนะท่านเรียกว่าจะพูดเรื่องทานนะ่ยนนท์เราพูดเรื่องทานมาแต่ตอนนี้มพูดเรื่องศีลแต่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะว่าคนนี่จะประรประลบเหตุแต่ตัวกรต้นเนี่ยมันจะมาจากสามกระแสหลัก คือกระแสที่เรียกว่าประรบตัวเองประรบโลกหรือประรบสังคมเป็นกระแสเป็นกระแสสร้างเป็นกระแสปลุกร้าขึ้นมาเวลาเนี้ยบางครั้งบางคราวเราจาแนกแยกแยะอะไรไม่ได้แม้แต่บางครั้งการเดินขบวนการมีม็อบการมีอะไรต่รงางมันมีกุญสู่ยิวข้างหลังทวกทะแนะมันเยอะได้ดูแล้วมันคือคนทั่วไปเนี่ยมองแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าไม่ค่อยมีอะไร แต่ถ้าเราสังเกตรเราสวจสอบเราดูให้ดีนะที่จริ ง, รงมันดูไม่คอยยาก น, นะเราจะเห็นว่านี่เป็นมวลชนจัดตั้งมันมีการควบคุมมันมีสั ญ, ญลักษณ์มันมีเครื่องหมายการแสดงว่ามีการจัดการมีการวางแผนกันก่อนจะมีตัวคุมในด้านต่างๆเนี่ยถ้าเราสังเกตรเราจะเห็นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราศึกษาประวัติ ปวัติศาสตร์ในด้านต่างๆดีเขาทาพวกบอนเซวิคทำยังไงอะไรแต่ไหเราก็จำาไว้ในะเรียการทำยังไงมันไม่ไเห็นเด่เๆนะะบางเรื่องเนี่ยมันมันประเจอดประเจอดประเจิไปเจอมากไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าละอายก็กลายเป็นเครื่องมือแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของชาติป้านเมืองนะ เร็นครข่าวประชุมเรืออังถัดอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีภาพลักษณ์บางอย่างมันเราเห็นว่ามันสร้างขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาภายในก็เรียกว่าภายในอย่านําออกภายนอกแกนำเข้าเพราะตอนโอเว่ออวนี่มันเป็นข่าวแล้วก็ประจานชาติบ้านเมืองตัวเองซึ่งการเรียนฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าฝรั่งกับเรามันอยู่คนละวัฒนธรรมกันนะคือเราเราถือว่า เป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลนี่อะไรก็พูดจากกันและไม่ต้องใช้อํานาจบัดใหญ่ไม่อาศัยความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือต่อรองบุคคลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ก็ที่จริงก็คือแนวอะไรละ่ะแนวอัตราธิปไตยนะกับแนวโลกาธีปไตยเพรา้อมก่บชายอย่างเงี้ยพอมาถึงรักษาศีลก็เหมือนกันในการให้ทานนั้นเขาเรียก ว, ว่าอัตราที่ปไตยทานพอมาถึงศีลเมื่อก็เป็นอัตราที่ปไตยศีล คือศีลที่มีตนเป็นใหญ่คือเคารพตนเองสำนึกถึงสถานะของตนเป็นอะไรล่ะเราเป็นอุปาสกเป็นอุปาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามเณรไปอะไรก็ตามนะการกระทำอันใดที่เหมาะวรแก่สถานะของเราเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแนตรงนี้คือสำนวนบาลีเนี่ยมีคำหนึ่งเขาเรียกสัญญาคือสำนึก สำนึกว่าเราเป็นอะไรแล้วก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นจนถึงก็เป็นให้ชอบเจนว่าพระเราก็มีสมณสัญญาคือความตระหนักว่าเราเป็นพระเป็นสมณะการกระทำอย่างไงการพูดอย่างไงความคิดอย่างไงที่เหมาะสมแก่ความเป็นสมณะเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นต่อเป็นสามีเราเป็นพันยาเราเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นลูกเราเป็นครูเราเป็นข้าราชการก็เรียกว่าสมณะสัญญาอุปาสกสัญญาอุปาสิกาสัญญานี่ มันก็มองในด้านในด้านดีได้นะเพราะอัตตาที่ประยที่ส่งอธิบายเนี่ยที่จริงมันในพระบาลีจริงๆมันดีแตัเงน้นเพียนแต่ว่าศูนย์ในการคิดเนี่ยคืออะไรตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านแนวตรงนี้มันก็คล้ายกับแนวฮิริเข็มเกิดฮิริเนี่ยมันเกิดจากการประรบภายใน ป ร, รบชาติสกุมของตัวเองประรบไหวของตัวเองป ร, รบการศึกษาของตนเองประรบจิตใจที่เข้มแข็งของตนเองแล้วก็ต้านทานกระแสของกิเลสกระแสขก็รบไปได้มันเกิดดีริคือความร้ายต่อบาปขึ้นมาคุ้มครองใจรักษาคุณภาพใจปัญสีลที่ที่เห็นว่าเราควรจะรักษาศีลอย่างที่พระเจ้าทรงสอนในภิกษุพิจารณาเนี่ยบรรพชิตควรพิจนารณาเนืองว่า บบบนี้เรามีแพศต่างจากขันแล้วอาการกริยาใดๆของสัมปณะเราควรกระทำอาการกริยาด้านนั้นบันทิกควรพิจารณาหนึ่งๆว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องโดยผู้อื่นเราควรทำตัวเขาเลี้ยงง่ายบันทิกควรพิจารณาหนึ่งๆว่าบันคือท่องไปท่งไปแบบนี้เราทําอะไรอยู่อะไรเนี่ยคือหมายความว่ามันจนหนักถึงสถานะหน้าชี้ภารกิจทําแล้วหรือไม่ได้ทํา ทำแล้วเป็นยังไงที่ไม่ได้ทําเนี่ยควรจะทำอย่างไงคือตามปกติแล้วเนี่ยคนเราจะมองไปข้างนอกแต่สีนีม่มองที่ไหนนะฮะมองมองที่ตัวเราคือตรวจสอบวิเคราะห์ตรวจสอบตีตัวของเราเอ่อเขาเรียกอะไรละ่ะบูตจนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นแล้วแนวแนวหลักจริงๆให้ลองสังเกตว่าแม้แต่เรากินอาหารเนี่ยเราก็ตรวจสอบจากข้างในอิ่มหรือยังเนี่ย อ่าห น, นังสือเนี่ยเราก็ตรวจสอจากข้างในว่าเข้าใจไหมแล้วเข้าใจเข้าใจว่ายังไงถ้อธิบายคนอื่นจะอธิบายว่ายังไงถ้าคนฟังหลากหลายนี่จะชี้แจงยังไงเนี่ยมันก็ตรวจสอบจากข้างในแต่ว่าคนมักจะไปตรวจสอบข้างนอกซึ่งโดยหลักจริงๆก็ตรวจสอบข้างในโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมะปฏิบตัติเพราะอะไรเพราะตัวธรรมคุณสองบทที่เรียกว่าสันทิติโกเนี่ยคือผู้ บรรลุหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตนเองแล้วก็ปัจจุบนันวรทุบนญโยฮีบินโยชนจะรู้ได้เฉพาะตนเห็นไหมเป็นเรื่องที่มองจากข้ามองกลับมาจากข้างในเห็นว่าอันนี้มันเป็นเหมาะเป็นควรแก่สถานภาพของเราที่เรียกว่าอัตตัญญุตาคือรู้จักสถานะของตนเราเป็นอย่างนี้มีภารกิจมีหน้าที่จะต้องทําอย่างนี้ ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำถ้าทำแล้วเป็นยังไงที่ยังไม่ได้ทำควรทำยังไงพระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลไม่ควรสนใจเรื่องคาหยาบคายร้ายกาศของบุคคลอื่นแต่สนใจทิ้งกิจของเราว่าเราทำแล้วกับที่ยังไม่ได้ทำหมายความตรวจสอบทั้งสองเรื่องนะฮะตรวจสอบสิ่งที่ทำไปแล้วแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้น แล้วก็ที่ยังไม่ได้ทําแล้วจะทํำยังไงแล้วจะทําเมื่อไหร่และะ้วจะเสร็จเมื่อไหรเรียบร้อยดีงามมากมายมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์คิดไม้อะไรต่างๆมันก็ดูแล้วคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันสมมติว่าเราจะทําหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยแม้มื่ตรวจตู้หนังสือนี่หลายตลบนะกว่าจะเสร็จนีแต่คนอ่านเนี่ยไม่ได้นึกว่าคนที่เขาเผยแพร่นหนังสือก็ทําหนังสือ โดยจะพอนหนสือพระนี่มักจะค่อนข้างแจกนะคนเหนื่อยนะคนทาเนี่ยเอาตรวจอย่างเดียวที่ตรวจปุ๊บอย่างเดียวว่าทําต้นฉบับทําวรักตรจัดวรตันทราทำาำ ม, มี่อะไรต่อะไรนี่มันเยอะเลยนะกว่าจะผ่านขั้นตอนมาได้คนทํานี่เสียเวลาเยอะเลยเป็นเดือนๆนะเอาให้คนอ่านใช้เวลาอ่านทักหน่อย หนสือบางเล่มก็สามสี่ชั่วโมงบางเล่มก็สักชั่วโมงบางเล่มก็สามสิบนาทีแ่เองแต่ยังไม่ค่อยอ่ า, อานเคืออะไรก็คือว่าไม่ได้เห็นความสำคัญหรือไม่ได้เห็นว่าผลงานนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นได้ลอยๆแต่ว่าเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามแล้วเราก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรนะ คล้ายๆกับเรื่องราวต่างๆที่เราฟังทางวิทยุฟังทางอะไรเนี่ย่มาตามปกติแล้วตอนตอนจำบัดเนี่ยก็เปิดวิทยุรายการธรรมะฟังไว้ฟางจะหลับหลับตืน่นหรือมันก็ฟังต่อไปเรื่อยๆก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจซึ่งบางเรื่องเนี่ยที่จริงมันก็พื้นพื้ น, นนะฮะแล้วก็เด็กๆอธิบายเดี๋ยวฟังดูทีเออเขาอธิบายกันว่าอย่างไง นี่ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าประรบตัวเองนะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวของตัวด้วยตัวเองท้องฟังทนายสรุางพรปฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นแบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญาง่หงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี